คนที่เคยมีกันผู้พันจริงใจคนที่เคยหวงให่ไม่เคยหาหาหวงวามและคืนที่ดีกำลังจะจางเพราะไรวัน ใใขอร้องฟังฉันสักหน่อยสักครั้งดีไหมเธออาจมีรอยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจะให้เธออยู่ฟังเสีย ใ, ใจของฉัน สองมืออ่อนละลาจะดึงเรื่องไว้หัวใจแตกสลายจะวอนขอเธอข้ากันเธอคนดีแต่อย่าเดินนี้ฉันไปขาเธอสักคงฉันคงขาใจต้านทานสุด ให้เธอนั้นเห็นใจขอร้องฟังฉันสุดหน่อยสคร 放弃我，才离